บทที่41เวลาบ่ายโมงครึ่งคณะผู้สแสวงบุญกราบนมัสการลาจเจ้าอาวาสวัดลุมพินีแล้วเดินทางต่อไปยังเมืองสาวัตถีซึ่งอยู่ห่างจากลุมพินีเป็นระยะทาง175กิโลเมตรพระมกุทเทพทาหน้าที่บรรยายถวายความรู้แด่เพื่อนบัรพชิต และให้ความรู้แก่ญาติโยมในเวลาเดียวกันต้องใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงครับบุรุษหนึ่งเรียนถามครั้งที่แล้วอาตมาพาคณะมาได้จดบันทึกไว้ว่าใช้เวลา8ชั่วโมงกับ38นาทีก่อนครั้งที่แล้วใช้เวลา9ชั่วโมง42นาทีท่านบอกสถิติที่ได้บันทึกไว้ทั้งสอง ทำไมถึงใช้เวลามากจังถ้าเป็นบ้านเราไม่เกินสองชั่วโมงบุรุษนั้นพูดคล้ายบนพระเจริญจึงต้องอธิบายว่านั่นเพราะว่าบ้านเราถนนหนทางดีกว่าที่นี่อีกประการหนึ่งเราต้องเสียเวลาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแต่บางคณะใช้เวลาสามถึงสี่ชั่วโมงที่เหลือก็เป็นเวลารถวิ่งแต่อาตมาคิดว่าคณะนี้ มีบุญเพราะมีหลวงพ่อเจริญมาด้วยอาตมา จ, จะนิมนต์ท่านให้บริกรรมคาถายนระยะทางเราคงใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินหกชั่วโมงก็จะถึงสาวัตถีผมนิมนต์หลวงพ่อช่วยอีกครั้งนะครับประโยคสุดท้ายท่านพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงผมอีกแล้วหรือท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มท่านตั้งใจไว้แล้วว่า จะไปให้ถึงสาวัตถีในเวลาทุ่มครึ่งพอดิบพอดีครับแต่ถ้าหลวงพ่อไม่สะดวกผมก็จะฝากนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองให้ผมด้วยผมไม่รับนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองซึ่งนั่งติดกับท่านพระครูรีปฏิเสธทําไมล่ะครับผมอุตส่าห์นิมนต์หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงให้ช่วยนิมนต์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าท่านอาวุโสรองจากหลวงพ่อ ผมไม่ได้ถือสาเรื่องอาวุโสหรอกท่านแต่ที่ผมไม่รับนิมนต์ก็เพราะผมไม่มีคาถายนระยะทางมีแต่คาถทายืดระยะทางถ้าท่านต้องการจะยืดจากแปชั่วโมงเป็นสิบหกชั่วโมงละก็ผมพอจะช่วยได้ถ้าอย่างนั้นผมไม่นิมนต์แล้วครับเพราะไม่ตรงกับความต้องการของหมู่คณะพระมกุเทศยอมจำนนต์ต่อเหตุผล ของหลวงพ่อวัดดอนเมืองแล้วรีบสรุปว่าเป็นอันว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงท่านจะใช้คาถาย่นระยะทางเพื่อช่วยให้พวกเราถึงสาวัถีภายใน6กโมงเย็นพระคุณเจ้าและญาติโยมเข้าใจตามนี้นะครับสาธุทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมยกมือขึ้นสาธุอย่างพร้อมเพรียงกันท่านพระครูไม่รู้สึกว่าถูกมัดมือชก เพราะท่านตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าจะทำดังที่พระมกุฎเทศขอด้วยอนุภาพแห่งคาถาย่นระยะทางที่จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงบริการไปตลอดทางทำให้ใช้เวลาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพียง30สบนาทีซึ่งไม่เคยมีคณะใดทำได้มาก่อนพ้นจากด่านแล้วพระมกุเทศจึงเริ่มการบรรยายด้วยการตั้งคำถามว่า มีใครเห็นประโยชน์ของการเดินทางที่ลาช้าบ้างที่พวกเราเดินทางกันในดินแดนพุทธภูมินี้จะเห็นว่ารถวิ่งได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นบ้านเราวิ่งได้ถึง120กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นหลวงพ่อวัดดอนเมืองให้ความเห็นว่าการวิ่งเร็วๆไม่ดีนะท่านผมว่าถ้าเราวิ่งชั่วโมง ละ80ถึง90กิโลเมตรเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันก็ยังมีโอกาสรอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าวิ่งเกินร้อยตายทุกรายลูกศิษย์ผมคนหนึ่งชอบขับรถเร็วมากภรรยาเข้ามาฟ้องผมบ่อยๆว่าเวลาออกต่างจังหวัดสามีขับรถความเร็วถึงร8 0แปผมก็เตือนเขาเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกครับหลวงพ่อผมขับรถยุโรป ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นผมก็ไม่กล้าขับเร็วผมก็มองหน้าเขาแล้วความคิดก็แวบขึ้นมาเจ้าหมอนี่ต้องตายเพราะอุบัติเหตุผมก็พยายามบอกเขาทางอ้อมแต่เขาก็ไม่เชื่ออาทิตย์ต่อมาหนังสือพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งเขาขับรถด้วยความเร็วสูงพุ่งชนเสาไฟฟ้าคาสองท่อนรถยุโรป ของเขาปิดเบี้ยวเป็นรูปตัวเอสถุงลมช่วยชีวิตที่ติดไว้ในรถก็ช่วยไม่ได้ถูกอัดก็ปีตายคาพวงมาลายัยภรรยาเข้ามาร้องไห้กับผมบอกว่าเสียดายรถส่วนสามีใหม่เสียดายเพราะเขาเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนแอบยักยอกเงินทองไปให้ภรรยาลับๆอยู่เสมอ จเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองให้ความเห็นค่อนข้างยืดยาวหนูเห็นประโยชน์ของการขับรถช้าแล้วคะ่ะนางสาวสายใหญ่รักพูดขึ้นเห็นว่าอย่างไรละคุณโยมพระมะกุเทพถามประการแรกก็อย่างที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองเล่ามาคือการขับรถช้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันโอกาสรอดชีวิตมีมากกว่า ประการที่สองการขับรถต่ำกว่า100รกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันประการที่สามช่วยลดอุบัติเหตุอย่างที่เราเดินทางกันในแดนพุทธภูมินี้หนูยังไม่เห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยและประการสุดท้ายทำให้รู้สึกปลอดภัยค่ะสาวสวยตอบ ฉันขอเพิ่มอีกประการหนึง่งคือการที่รถวิ่งไม่เร็วก็ทำให้เราได้สวดมนต์ทำวัดได้สะดวกเวลาดูหนังสือสวดมนต์ก็ไม่ทำให้ตาลายถ้ารถวิ่งเร็วตัวหนังสือก็จะวิ่งตามทำให้เสียสายตาแม่ชีป่วนช่วยเสริมของแม่ชีป่วนก็ประการที่ห้าจะมีใครเพิ่มเติมอีกไหมพระคุณเจ้าว่าอย่างไรครับ ท่านถามบรรพชิตเมื่อไม่มีเสียงตอบกลับท่านจึงเริ่มการบรรยายบัดนี้เราก็ได้นมั ส, สการสังเวชนียสถานครบสี่แห่งตามในปรากฏในทิ่คณิกายมหาวักในพระไตรปิฎกเล่มที่ส0ในข้อที่131หน้าที่163แม้ท่านชักจะเก่งเหมือนกับท่านพระครูแล้วนะ แม่ชีปวนเอ่ยปากชมด้วยความจริงใจพระเจริญเพียงแต่ยิ้มและบรรยายต่อเอาวละ่ะที่นี่อาตมาก็จะให้พระคุณเจ้าและก็ญาติโยมช่วยกันสรุปว่าสังเวชนียสถานสีแห่งที่เราได้นมัสการมาแล้วนั้นถ้าเรียงตามลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติคืออย่างไรและถ้าเรียงตามลำดับที่เราเดินทางคืออย่างไร ก็อขอโอกาสพระกุณเจ้าตอบก่อนผมว่าให้โอกาสโยมก่อนดีกว่าเพื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องจะได้ช่วยเติมให้เต็มพระคุณทศเสนอความจริงท่านจำชื่อสถานที่ไม่ได้ครบแต่ที่ต้องเสนอเพราะไม่อยากเสียหน้าท่านออกมั่นใจว่าเพื่อนบรรปชิตอีกสองรูปคือพระธวัชกับพระรสสุคนคงเหมือนท่านส่วนลงพ่อสององค์นั้น ยกเว้นเพราะท่านทั้งสองเป็นนักปราชถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตตอบเป็นคนแรกครับโยมเสงงเสนอเขามั่นใจว่าจะต้องตอบได้ถูกต้องเพราะปัญญาเกิดกับเขาแล้วสังเวชนียสถานสี่แห่งเรียกตามลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้แก่ชาตสถานที่พระพุทธเจ้าประสูตร อภิสัมพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือควงโพที่ตำบลพุทธขยาธรรมจักกปวตนาสถานที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกปวัตนาสูตรคือที่ป่าอิสิ ป, ปตนามารุกขายวันแขวงเมืองพารณาสีปัจจุบันเรียกสถานที่นี้ว่าสารนาศ และปรินิพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานคือที่สาลวานโนที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานคือสาลวัโนทยานเมืองกุสินาราถ้าเรียงตามลำดับตามที่เราเดินทางก็คืออภิสัมพุทธสถานธรรมจักกปวัตนาสถานปรินิพุทตสถาน และชาตสถานหากผมตอบขาดตกบกพร่องอย่างไรขอพระกุณเจ้าช่วยเติมให้เต็มด้วยครับมีอะไรที่ท่านจะช่วยเติมไม้ยพระมะกุทเทพถามพระกุณฑธศคงไม่มีครับพระโยมเขาตอบได้ถูกต้องและครบถ้วนถ้าผมคงตอบไม่สมบูรณ์เท่านี้ท่านยอมรับแต่โดยดีเอาละ ถ้าเช่นนั้นอาตมาก็จะมาทําหน้าที่บรรยายต่อเป็นอันว่าเราได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานมาครบสี่แห่งแล้วส่วนเมืองสาวัตถีที่เราจะไปนี้ไม่ได้อยู่ในสังเวชนียสถา น, ช น, ถานเช่นเดียวกับเมืองราชกฤติที่เราได้ไปมาแล้วตั้งแต่สาวัตถีและราชกฤตก็มีความสําคัญต่อพุทธประวัติเพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ และประดิษฐานพระพุทธศาสนาตลอด45พันษาของการบำเพ็ญพุทธกิจพระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษาที่เมืองรา ช, ชครห้5พันษาที่เมืองสาวัตถี25พันษาโดยประทับที่เชตวันวนารามซึ่งท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีสร้างถวาย19พันษาอีก6พันษาประทับที่บุพาราม ซึ่งนางวิสาขามาหาอุบาสิกาสร้างถวายจะเห็นว่าทั้งสาวัถีและราชคลืแม้จะมีได้เป็นสังเวชนียสถานหากก็มีความสำคัญหลังตรัสรู้พระพุทธองค์ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคธซึ่งมีราชคลืเป็นเมืองหลวงเหตุการณ์สำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่เมืองราชคฤ เริ่มตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองนี้ต่อมาก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือนสซึ่งเป็นเดือนที่9แห่งการตรัสรู้หลังพุทธปรินิพานสาเดือนมีการสังคยนาครั้งแรกก็ทำที่เมืองรัชคลึกนี้กล่าวได้ว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนา มีจุดตั้งต้นไปจากเมืองหลวงของแคว้นมคตคือราชคลึแต่เหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงประทับที่เมืองสาวัตถีมากที่สุดพระคุณเจ้าหรือญาติโยมท่านใดจะตอบคำถามนี้ก็ได้ก็ขอนิมนต์ขอเชิญท่านให้โอกาสผู้ฟังได้มีส่วนร่วมเป็นอุบายที่จะให้บรรพชิตและครือส่าตื่นอยู่เสมอ ผมกำลังตั้งใจฟังครับตอนนี้ต้องขอความรู้จากท่านก่อนต่อไปในภายภาคหน้าผมจะนำความรู้ไปเผยแผ่แก่ญาติโยมและพุทธบริษัทครับพระรถสุคนหาทางออกเพราะท่านไม่ทราบคำตอบมีท่านอื่นตอบได้ไหมครับพระเจริญถามอีกเมื่อไม่มีผู้ใดตอบท่านจึงบรรยายตอ่อ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องอาศัยบริบททางสังคมด้วยหมายความว่าถ้าเมืองไหนสงบสุขไม่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการเผยแผ่ก็ดำเนินไปด้วยดีนอกจากนี้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนค้ำจุนด้วยการที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินพระทยัยที่จะประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในแคว้นมคธเพราะเวลานั้น มคตเป็นแคว้นใหญ่รัชฤรึซึ่งเป็นเมืองหลวงก็เป็นเมืองใหญ่มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและพระองค์ก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยจึงทรงให้การสนับสนุนคำจุนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีได้พระราชทานสวนผ่ให้เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งเรารู้จักกันดีในานามวัดเวลุวันหรือเวลุวนารามต่อมาในตอนกลางและปลายพุทธกาล ร, รัชครื้มีการเปลี่ยนแผ่นดินแบบไม่เป็นไปด้วยดีคือพระเจ้าอาชาศัตรูได้ทำปิตุคาตและยังไปสมคบกับพระเทวทัตที่จะปรองพระชนพระพุทธเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งอำนาจอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับแคว้นวัชชี เมืองราชฤทัที่เคยสงบร่มเย็นก็หาความสงบไม่ได้แต่แคว้นโกศลซึ่งมีสาวัตถีเป็นเมืองหลวงกลับเป็นเมืองที่มีความสงบสุขบรรยากาศเหมาะแก่การเป็นแหล่งสั่งสอนธรรมที่สำคัญคือมีบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาในพระองค์นับตั้งแต่พระเจ้าเปเซนที่ผู้ครองแคว้นโกศลลงมาถึงประชาชน ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักก็คือท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีและนางวิสาขามาหาอุบาสิกาท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีนอกจากจะสร้างวัดพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้าแล้วยังได้อุปธรรมบำรงพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุณีสงฆ์จนถึงสมัมาเนยสมัมมเนรีอย่างดียิ่งนอกจากนี้ยังเป็นที่พึ่งของคนยากจน คนอนาถาในเมืองสาวัตถีด้วยแต่เดิมท่านชื่อว่าสุทธิตะแต่เพราะที่เป็นผู้เลี้ยงดูคนยากจนอนาถาเลยได้สมยาว่าอนาทบินทิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาท่านเป็นผู้เอาใจใส่คนยากไร้มากคนอนาถาไม่มีเงินทองไม่มีอาหารกินก็ได้พึ่งท่านผู้นี้ ส่วนนางวิสาขาก็อุปถรัรมภ์บำรงสงได้ชวนพักพวกพื่นฝูงผู้มีศรัทธามาดูแลเรื่องอาหารของฉันและความเป็นอยู่ของสงและเป็นที่พึ่งของภิกษุณีทั้งหลายเมื่อมีเหตุการ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสตรีดังเรื่องของนางภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสปะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสองเมืองคือเมืองราชครื และเมืองสาวัตถีเอาละ่ะเล่ามาถึงตอนนี้จะขอถามท่านผู้ฟังว่าถ้าไม่อยากฟังต่ออาตมาก่อจะหยุดเล่าอยากฟังครับอยากฟังค่ะผู้ฟังเปลงเสียงตอบพร้อมกันยกเว้นหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงรูปหนึ่งไม่ตอบ เพราะรู้ว่าเป็นอุบายของผู้บรรยายที่จะให้คนฟังไม่ง่วงอีกรูปหนึ่งกำลังบริกรรมคาถาย่นระยะทางซึ่งไม่ตอบให้เสียเวลาบริกรรมถ้าอย่างนั้นอาตมาเล่าต่อแต่ถึงคำตอบจะออกมาว่าไม่อยากฟังอาตมาก็ต้องเล่าอยู่ดีเพราะว่าเป็นหน้าที่พูดออกตัวพอหอมปากหอมคอแล้ว พระมกุเทศจึงบรรยายต่อที่ว่าเกี่ยวข้องกับสองเมืองเพราะเหตุที่เกิดที่เมืองราชก์และมาดับลงที่เมืองสาวัตถีเรื่องก็มีอยู่ว่าทิดาเศรษฐีเมืองราชก์มีศรัทธาอยากบวชในพระพุทธศาสนาจึงขออนุญาตบิดามารดาแม่ชีปวนถ้าลูกสาวโยมมาขอบวชโยมจะอนุญาตไหมท่านถามแม่ชีปวน อนุญาตจ้ะแต่ลูก้าวฉันเขาไม่อยากบวชฉันก็เลยต้องมาบวชแทนตอนนี้เขาแต่งงานมีลูกห้าคนแล้วแม่ชีวัย60ตอบเกินคำถามแล้วยมคิดว่าเศรษฐีจะยอมอนุญาตให้ทิดามาบวชไหมแม่ชีถูกถามคงไม่หรอกจ้ะเพราะเขาคงไม่ฉลาดอย่างนั้นแม่ชีตอบแบบยกตนข่มท่าน ถูกแล้วแต่ไม่ใช่เพราะเขาไม่ฉลาดอย่างโยมที่ไม่ยอมให้ทิดาบวชเพราะต้องการให้แต่งงานมีย่าวมีเรือนเหมือนคนที่มองทางโลกทั่ ว, วไปฉันถึงว่าเขาไม่ฉลาดยังไงละ่ะถ้าฉลาดก็ต้องมองในทางธรรมเหมือนฉันแม่ชีไม่ยอมแพ้ เธโยมจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่อาตมาไม่เห็นด้วยเต็มร้อยนะเห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวทีนี้ทิดาเศรษฐีแกก็ขอบวชอยู่เรื่อยๆปิดามารดาเอเรียกพ่อแม่ดีกว่านะคือพ่อแม่เขาไม่ยอมใจอ่อนแกก็เลยคิดใหม่ว่าจะยอมแต่งงานแล้วค่อยขอสามีบวชในภายหลังก็เลยแต่งงาน หลังจากแต่งงานได้ไม่นานก็ขอสามีบวชแรกๆสามีไม่อนุญาตต่อเมื่อถูกภรรยารบเร้าหนักเข้าจึงอนุญาตแก่ก็ไปบวชอยู่ที่สำนักของพระเทวทัตเพราะเวลานั้นพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองสาวัตถีแล้วบวชได้ไม่นานก็ปรากฏว่าคันโตขึ้นพวกภิกษุณีก็พากันไปฟ้องพระเทวทัตซึ่งตั้งตนเป็นใหญ่ปกครองสง อยู่ที่เมืองราชครือในเวลานั้นพระเทวทัตกลัวจะเสียชื่อเสียงคือไม่รับรู้ความทุกข์ของลูกศิษย์กลัวแต่ว่าตนจะเสียชื่อเลยให้นางภิกษุณีรูปนั้นสึกนางภิกษุณีก็คิดว่ามาบวช ด, ด้วยความยากลำบากเรื่องอะไรจะยอมสึกง่ายๆอีกอย่างหนึง่งท่านไม่ได้ทําผิดพระวินัยแต่อย่างใดตั้งแต่บวชมาไม่เคยละเมิดพระวินัยเลยท่านก็ไม่ยอมสึก พระเทวทัตก็จะให้ศึกท่าเดียวท่านก็คิดขึ้นมาว่าท่านบวชเพื่ออุทิศองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บวชเพื่ออุทิศพระเทวทัตจึงให้ภิกษุณีผู้ใหญ่พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีเดินไปเหรอคะนางสาวสายใหญ่รักถามโยมจะให้นั่งรถบัสไปหรือสมัยนั้นยังไม่มีรถบัสนะโยมต้องเดินไป คงลำบากแย่เลยนะคะขนาดพวกเรานั่งรถยังรู้สึกว่าลำบากลอง น, นึกถึงภาพความลำบากตรากตรําของนางภิกษุณีที่กําลังตั้งคันทำไมโยไม่มองในแง่ศรัทธาและความเพียรละ่ะน่าจะมองว่าท่านมีศรัทธาในพระศาสนาจึงมีความเพียรในการเดินทางของดีไม่ใช่จะได้มาง่ายๆหรอกนะโยมจริงดังที่ท่านอาจารย์พูด แล้วเรื่องเป็นอย่างไรต่อคะท่านเดินทางไปได้วยความลำบากต้องเดินทางหลายวันกว่าจะถึงสาวัตถีครั้นถึงภิกษุณีผู้ใหญ่ก็กราบทูลเรื่องราวให้พระพุทธเจ้าทรงทราบเมื่อได้ทรงวินิจฉัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายทราบว่านางภิกษุณีรูปนี้บริสุทธิ์แต่ก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของพระวินัยทรงตั้งคณะผู้ตัดสิน มีพระอุบาลีพระประธานท่านรสุขคนช่วยตอบผมมาสิว่าทำไมถึงต้องตั้งพระอุบาลีเป็นประธานทำไมถึงไม่ตั้งพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะหรือพระอนนท์ท่านถามพระรสุคนเพราะพระอุบาลีท่านชานาญในข้อวินัยจนได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตะทักกะในทางทรงพระวินัยครับ พระรสุคนตตอบถูกแล้วจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงใช้คนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นอันว่าพระอุบาลีท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานในการสอบสวนการตั้งคันของนางพิษุนีเมื่อมีประธานก็ต้องมีกรรมการเรื่องของผู้หญิงต้องมีกรรมการเป็นผู้หญิงด้วยแม่ชีลองทายซิว่าผู้หญิงที่เป็นกรรมการในเรื่องนี้ คือใครฉันขอถ่ายว่านางวิสาขาจ่ะแม่ชีตอบถูกแล้วนอกจากนี้ก็มีอนาธบินธิกะเศรษฐีแล้วก็ต้องมีพระราชาร่วมเป็นกรรมการด้วยพระเจ้าประเสริฐทิจึงต้องรับหน้าที่เป็นกรรมการอีกผู้หนึ่งนางวิสาขาอาศัยว่าเคยตั้งคันมาแล้ว20สครั้งจึงเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ เพราะมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตั้งครันเป็นอันดีในที่สุดก็ได้ชี้แจงแก่ที่ประชุมโดยประมวลเรื่องราวและทําให้วินิจฉัยได้ว่านางภิกษุณีรูปนี้ตั้งครันมาตั้งแต่ก่อนบวชมีคันติดมาก็เลยเป็นอันพ้นจากอธิกรณ์พ้นคดีเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านก็ไม่ต้องศึกอยู่ในสํานักของพระพุทธเจ้า ไม่กลับไปยังสำนักของพระเทวทัตเมื่อคันครบทศมาศก็ได้คลอดบุตรเป็นเด็กผู้ชายท่านก็ให้เลี้ยงดูบุตรอยู่ในสำนักภิกษุณีในพระเชตวันนั้นไม่ลำบากแย่เหรอคะไหนจะเลี้ยงดูลูกไหนจะปฏิบัติธรรมสตรีที่จ้างข้าสามีถามขึ้นลำบากก็ต้องทนเพราะท่านอยากได้มรรคผลแล้วท่านก็ได้หรือเปล่าล่ะคะ ใจเย็นเย็นโยมฟังต่อไปว่าท่านจะได้หรือไม่ได้ขณะนั้นรถวิ่งข้ามแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมีสะพานให้รถวิ่งข้ามได้มีเสียงถามขึ้นว่าแม่น้ำสายนี้ชื่ออะไรครับชื่อแม่น้ำอาอจรวดัดีมีความสำคัญต่อประวัติของพระเถรีรูปหนึ่งเอาละเอาไว้จบเรื่องภิกษุณีมารดา ของพระกุมารกัสปะแล้วจะเล่าเรื่องของพระเถวรีรูปนี้พระเจริญตอบ